เมื่อวานหลวงพ่อได้ไปไประชุมที่วัดป่าบันตาดออกจากวัดบ่ายโมงกว่ากลับมาเกือบ6กทุ่มเมื่อคืนนี้นัดประชุมกันเวลาส8บแปดศูนสูนนอหโมงเย็นพอเขาเข้าจริงหลงตาท่านก็ลงมาเทศกว่าท่านจะขึ้นได้ก็มืดค่ำก็เลยเข้าประชุม ประมาณสักสิบแปดนาฬิกาครึ่งมั้งสิบแปดโมงครึ่งเมื่อวานไปชุมกันพระประมาณสองร้อยกว่าองค์ไปชุมหาลือเกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วก็แถลงข่าวลักษณะอย่างนั้นะเมื่อคืนเนี่ยก็มีสื่ออะไรนั่นละที่เขารายงานเมื่อคื น, นมารายงานความคิดเห็นของพระสงฆ์ ว่าแนวความคิดของพระสงฆ์เกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมเนะี่ยหรือว่าสถานีวิทยุที่ร่างกฎหมายออกมานะีม่มีความเห็นอย่างไรเนะมื่อคืนนี้ก็ได้พูดกันกว้างขวางพอสมควรสรุปแล้วก็คือวิทยุชุมชนเนะี่ยเขาให้ลงไว้ก่อนแต่เมื่อลงไว้ก่อนแล้วมันก็ผิดกฎหมายไว้ก่อนเหมือนกันเพราะนั้นเราไม่อยากจะผิดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเขาให้เพียง 3. ตารางกิโลเมตรในชุมชนหนึ่งชุมชนเล็กชุมชนกลางเนี่ยเขาให้5ตารางกิโลเมตรชุมชนเมืองเขาให้15ตารางกิโลเมตรของเราพอเข้าไปไเนี่ยถ้าเขาไม่บังคับใช้กฎหมายเราก็ผิดกฎหมายอยู่โดยดีเพราะว่าของหลวงตานะจากบ้านตาดมาถึงที่นี่มันกี่ตารางกิโลเมตรมันเกือบร้อยตารางกิโลเมตร ร้อยกว่าตารางกิโลเมตรมันไม่ใช่สนะิบห้าทำบังคับกฎหมายเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ต้องผิดกฎหมายในเมื่อเขาต้องใช้กฎหมายเมื่อไหรเราก็ต้องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นคือให้มันถูกกฎหมายตั้งแต่ทีแรกกฎหมายใครเป็นคนแต่งตั้งขึ้นคนที่รู้เรียงสาภาวะเพียงแต่ชั้นปัญญาชนผู้จิตแต่งตั้งกฎหมาย ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายก็คือเสียงธรรมเพื่อประชาชนเสียงธรรมคือคือเสียงเหตุผลคือเสียงความถูกต้องไม่ใช่ว่าทําผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายใช่เองครับจะเป็นเสียงธรรมได้อย่างไรเพราะเมื่อคืนนี้ก็เลยได้ถกเถียงกันได้แสดงความคิดเห็นว่าแสดงจุดยืนของเสียงธรรมของหลวงตาแต่ว่าเรื่องราวน่าจะไปถึงไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า พวกเรามีจุดยืนว่าพวกเราจะทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเข้าอยู่ในกรอบของชุมชนแล้วสถานีของเราเนี่ยเครื่องส่งก็10กิโลวัตต์ส่งกระจายเสียงเสาสูงร้อยกว่าเมตรกระจายเสียงไปอีกไกลเท่าที่มันจะไกลได้แต่ถึงยังไงสถานีของเราก็เกิดขึ้นมาก่อน เราก็ไม่เตะของขายอยู่แล้วเรารักษาอยู่แล้วแต่สถานีไหนที่มันไปรบกวนสถานีอื่นเขาเราก็ต้องแก้ไขแต่ยังไงก็ตามสถานีของลวงตาเนี่ยให้เหมือนสถานีของรัฐภาหรือสถานีของอสมทหรือเทียบเท่าของรัฐบาลเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีโฆษณาประชาธรมพันธ์สแสวงหาผลประโยชน์ มีแต่เราให้ธรรมะความถูกต้องความเป็นธรรมสถานีของเราถ้าว่าใครก็ได้ในสถานีไหนก็ได้แต่ถ้าว่าไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ ส, สะแสวงหารายได้จะเข้ามาในกลุ่มนี้ถ้าว่าสถานีไหนก็ตามเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วแต่ไปสะแสวงหากาไรสแสวงหาผลประโยชน์ จะทำในแง่ผิดกฎหมายก็ควรจะลงโทษแล้ทำโทษออกไปกฎหมายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นที่พูดกันเมื่อคือนนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายผลหลวงพ่อก็บอกว่าสถานในวิทยุเสียงธทรรมเพื่อประชาชนตามไม่จริงมีแต่ให้คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อผู้ได้ยินได้ฟังทางรัฐบาลน่าจะ จัดเงินงบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยสถานีนี้ด้วยแล้วก็สถานีนี้ไม่มีพนักงานเป็นของรัฐบาลอีกพวกเราเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นการประกาศเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชนถ้าว่าธรรมะเข้าสู่จิตใจมากเมื่อไหร่ชุมชนน่าก็มีแต่ความสงบผาสุขธรรมะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครถ้าว่าผู้หวังดี ผู้มุ่งหวังความถูกต้องผู้มุ่งหวังความเป็นธรรมไม่ผิดกับใครถ้าว่าใครก็าตามออกนอกลูนอกทางทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยต้องตรงกันข้ามกับพวกขวายนั้นสรุปแล้วแต่ว่าศีลธรรมไม่ผิดกับใครงั้นก็ไม่ถูกงั้นแตะมันผิดกับกิเลส ข, ของคนแต่มันถูกกับธรรม ถ้าใครก็ตามมีทรรมอยู่ในใจจะถูกกับคนนั้นกลุ่มนั้นคณะนั้นในช่วงนั้นในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ถ้าว่ายุคใดสมัยใดเต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะหนาแน่นอยู่ในชนกลุ่มใดคณะใดบุคคลใดธรรมะจะต้องเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันเหมือนกับขาวกับแดงอย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะธรรมะเนี่ยคือหลักเหตุผล อาธรรมนี่คือไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นที่ว่าไม่มีเหตุมีผลอาธรรมกิเลสแต่ว่าธรรมนี่ต้องยืนอยู่ในหลักเหตุผลเพราะนั้นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท it, it ่านยืนอยู่ในหลักเหตุผลมันก็ต้องผิดกับคนที่ไม่มีเหตุผลกิเลสไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะจะรักใครก็รักจะเกลียดใครก็เกลียดจะโกรธใครก็โกรธจะโลภเอาของใครก็โลภจะโกหกใครก็โกหกอย่างนั้น กิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ทำไม่ได้ทำ เ, เขาเราถ้าเราไม่ชอบอย่างนั้นเราก็ไม่ควรทำให้แกเขาเขาก็ควรจะยืนอยู่ในจุดของเขาถ้าว่าเขาไม่ยืนอยู่ในจุดของเขาแปลว่าผิดธรรมเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกฎชุมชนนั้นๆแปลว่าทาผิดแล้วเป็นอาธรรมแล้วเนี่ยที่พูดกันมืกคืนในลักษณะนี้แหละ กว่าจะจบได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรหลุกพ่อก็ได้สรุปให้ข้อคิดว่านี่นะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับเทวดาอยู่ชั้นสวรรค์เทวดาคงจะมีเวลาว่างมากเหงว่างท่านก็สวยความสุขของท่านไปสวยบุญผุดง่ายๆแต่เมือมนุษย์ที่ท่านสร้างบุญแล้ว ท่านสร้างด้วยความยากลําบากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสร้างบุญทุกวันเนี้ยพอสร้างเสร็จแล้วท่านก็ไปบางคนก็ไปเอาเงินไปเที่ยวเมืองนอกอย่างนั้นเน่ะเออเอเงินเต็มกระเป๋าอ้าวเที่ยวอสนุกสนานกินอะไรมีความคิดอะไรก็ทํากินไปลักษณะอย่างนั้นเออแปลว่ามุ่งไม่เดือดไม่ร้อนเรื่องการเงินในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใช้เงินแต่หมดหมดเงินก็เป็นวันกันนะ เทวดาหมดบุญเหมือนกันเหมือนกับเราไปเที่ยวเมืองนอกใช้ไปใช้มาใช้เพลินๆแล้วกัหมดเงินแล้วกันให้ถ้ากลับมาแล้วไม่มีหลักไม่มีฐานไว้เลยนั่นแหละก็ต้องมาเป็นกรรมกรอีกตกต่ำไปอีกแต่ถ้าว่าคนมีหลักฐานไว้แล้วคนมีบุญกลับมาแล้วมาอีกในระดับหนึ่งแต่ที่เทวดาก็เหมือนกันขึ้นไปอยู่ชั้นสวรรค์ไปสวยบุญ ท่านก็ตั้งปัญหาถามกันนะเทวดาคงจะมีความคิดมากหลากหลายกับเมืองมนุษย์เนี่แหละอันไหนที่เป็นมงคลที่สุดพวกท่านทั้งหลายอันไหนที่ว่าเป็นมงคลมงคลคือที่แรกก็มนุษย์พูดก่อนนะนมนุษย์ไปเที่ยวเล่นเล่นมหโระศศอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นมาว่า ขอความเป็นสิริมงคลของข้าพเจ้าจงเกิดกับข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวคนหนึ่งเอ๊ะสิริมงคลนั้นคืออะไรอะไรคือเป็นสิริเป็นมงคลที่นี่มนุษย์กระถามกันพอถามเสร็จแล้วไปถึงเทวดาเทวดาก็ถามอีกถามกันอีกจนไปถึงสวรรค์ชั้นสูงคำว่ามงคลสูงสุดนั้นคืออะไรมงคลที่เป็นสิริมงคลอันยอดเยี่ยม นั้นคืออะไรกระทกเถียงกันอคนหนึ่งก็บอกว่าไปเห็นรูปงามๆไปเห็นรูปงามๆรูปสวยๆนั่นแหละคือเป็นเป็นมงคลเป็นขวัญตาเป็นขวัญตาของเราเป็นขวัญใจของเรานั่นแหละคือมองคลคนหนึ่งก็แย้งขึ้นมาว่าไม่ใช่หรอกไม่น่าจะใช่บางทีรูปนั่นอาจจะขี้ร้ายขี้เละขึ้นมารูปสวยๆนั้นอาจจะบิดจะเบี้ยวขึ้นมาเราก็เสียใจกับรูปนั้นอีกเอ่ ไม่น่าเฉใช่ใจของเราก็เศร้าหมองอีกมันไม่ใช่มงคลล์นนะคนหนึ่งว่าหูนี่แหละได้ยินเสียงเพราะเพราะเสียงไพเราะสนุนโสทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือมงคลล์คนคนหนึ่งก็มาเถียงว่าไม่น่าจะใช่บางทีเขาคนดาเนี่ยออกมาจากทางหูอีกเหมือนกันเสียงตัวนั้นอ่ะมันอาจจะผิดใจของเราอีกใจของเราทําให้ใจเราเศร้าหมองอีกมันก็ไม่น่าจะถูกอีกไคนที่สุดก็เลยเทวดาถกเถียงกันไม่มีที่สิน้นจุดวันหนึ่งก็เลย เขาไปหาพระอินทร์ไปหาเทวดาผู้ใหญ่เทวดาผู้ใหญ่เออเดี๋ยวปัญหาหนี่ไหมปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะใครๆครก็มันไม่มีข้อยุติหรอกเห็นแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่ที่พวกเราจะลงไปกราบทูลถามปัญหาของท่านจากนั้นพระอินทร์ก็เลยพาเทวดาลงมาในเวลาเที่ยงคืนดึกสงัดเพราะงั้นเลยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าอันไหนที่เป็นมงคลสูงสุดพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์บอกว่าอืเนี่ยเขาถามกันมามากบางยุคมันก็ลืมไปแต่เราจะอธิบายให้ฟัง พ, พุทธองค์ก็ยกเป็นพุทธบาลีขึ้นมาเลยเป็นภาษิตขึ้นมาว่าอะเสวนาจะบาลานังบันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมังอะเซวนาจะบาลานังอย่าคบคนผ่านนะ ถ้าคบคนผ่านคบคนชั่วแล้วเราจะชั่วไปตามเขาถ้าเราไปคบคนกินเหล้าเราจะกินเหล้ากับเขาถ้าเราไปคบคนขายยาบ้ายามาคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเราก็จะไปขายกับเขาถ้าเราไปคบคนเล่นการพ น, นันขันต่อเราก็จะไปเป็นคนชั่วกับเขาเ <Ugh>. พราะนั้นอย่าไปคบคนผ่านพาละชนอย่าไปคบค้าสมาคมนั่นดีที่สุด นเนียเวนาจะบาลานะังบันริตตานั้นจะเสวนาให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์เผู้นี้เป็นคนดีมีกายวาจาถึงจะไม่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสแต่เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีเนื่องๆมองดูแล้วไม่ไปในทางชั่วชา้าเสียหายการคบคาสมาคมนมนาน ก็สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายจะรู้ได้หรือไม่รู้ได้ต้องอยู่ด้วยกันนานสินสินจะรู้ได้หรือจะรู้ผู้มีศินหรือไม่มีศินต้องอยู่ด้วยกันนานอันนี้เมื่อเราครบค้าสมาคมกันไปนานเราจะรู้ได้เออท่านผู้นี้เป็นผู้มีสินเป็นผู้มีศินมีธรรมอันนี้เราก็พบเรียกว่าบัณฑิต บันทิตานำเจเสวนาให้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคล ค, บบคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือพ่อแม่ของเราหรือวั ย, ยวุฒิคุณวุฒิผู้มีคุณธรรมในจิตในใจอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่เราก็ให้ความเคารพนับถืออันนี้เราบูชาบุคคลที่บูชาเอตัมมังครมุตตังนี่แหละเป็นมงคลอันอุดม เป็นมงคลอันสูงสุดนะจากนั้นท่านเขาไล่ไปเลยเนี่ยมาตาปิตุอุปัตท่านังพุตตทานเราะสร้างเขาโหดและท่านเขไล่ไปจนถึงมงคลคนสามสบแปดมงคลที่พระพุทธเจ้าไล่วันนั้นถึงสามสิบแปดมงคลเพราะนั้นเทวดาถามความสูงสุดของมงคลพระพุทธองค์ก็เลยตรัสเทศนาให้แก่เทวดาจากนั้นพระองค์ก็ได้นำที่พระองค์ได้ตอบปัญหานั้นมาแสดงให้แก่พระสงฆ์พระอานนท์ อุบาสุอุบาสิกาได้ฟังอีกนี่แหละมงคลสามสิบแปดอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังมีเหตุผลไหมเพียงสามข้อเท่านั้นะออเซวนาจะบาลานังบัณริตาจาเจเซวนาปูชาจะปูชนิยานังเอตมังครมุตตมังเพียงแค่นี้พวกเราก็พอเข้าใจแล้วว่านี่คือเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วแต่ไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า บอกกล่าววนะ่านั้นเป็นมงคลแล้วนี่แหละคำพระบาลีนี่ท่านอธิบายอย่างนี้แหละไม่ได้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอะไรมาคุ้มครองทุกคนมาให้เรารักษาเราไม่ใช่อันนี้แหละตัวของเรากรรมคือการกระทาของเราเนี่ยเป็นหลักเราจะไม่คบคนผ่านเราจะคบแต่บัณฑิตเราจะบูชาบุคคลที่ควรบูชา นี่แหละคือเท ว, วดาถามเนี่มันนะต่อมาเท ว, วดาก็คงจะมีเวลาว่างอีกอย่างที่ว่านะนะั่นแหละจตั้งปัญหาถามกันขึ้นมาอีกทีนี่ให้ทานอะไรจึงจะมีผลมากจึงจะมีอันิสงมากทีนี้ก็ถามกันไปเอ่ยให้ทานลูกทานเมียไม่ใช่นะทานลูกทานเมียก็ทานไปนแล้วก่อนเนี่ยนะเขาก็ทุกข์เนี่ยเพราะเหมือนเขาไม่ได้อยู่กับเราเนะ่ยคงจะไม่ใช่เป็นทานที่ดี ทานเข้าน้าโพชนะอาหารก็ไม่ใช่ไม่น่าจะดีถ้าทานเข้าไปแล้วในคนที่ได้ไปแล้วก็ติดในลาบในยศในจตุปัจจัยเหล่านั้นอีกนีอันนั้นก็ไม่น่าจะเป็นผลดีท่นี้ก็มาถกเถียงกันอีกในเทวดาผลทธิสุขเข้าไปหาพระอินทร์อีกเทวดาผู้ใหญ่เทวดาผู้ใหญ่กันนำรรํำทำที่เทวดาถกเถียงกันนะ่ะมากราบทูลพระพุทธเจ้าอีกในเวลาดึกสงัดว่า ง, งั้นะเทวดาจะลงมาในเวลาดึกสงัด พระพุทธองค์ก็บอกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธองค์ก็ได้เฉลยไปว่าการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทำไมจึงว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารให้มากๆหรือให้เพชรนินจินดาให้เงินคำทรัพย์สมบัติปุตุชนทั้งหลายชอบติดอยู่ในลาบนายด ในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นอยู่แล้วพอได้มากเท่าไหร่กิเลสยิ่งพอกพูนขึ้นมามากโลภก็ยิ่งมากและก็หวงแหนโกรธเข้ามาอีกและก็หลงในสมบัติของตอนเองอีกและก็เกิดกามกิเลสราคะขึ้นมาในวัตถุสิ่งของที่เราให้นั้นไปนั้นอีกเพราะนั้นให้วัตถุสิ่งของไปนั้นล้วนแล้วจะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้พอกพูนขึ้นมากมายเพราะนั้นให้ทําเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงให้ทมเป็นทานคือให้หลักเหตุผลให้ดวงตาเห็นธรรมให้ความถูกต้องชี้นำไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในธรรมจะด้วยวิธีการอย่างไรก็ตามแต่ว่าในเรื่องนั้นมีเหตุมีผลเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เป็นธรรมนั่นแหละให้ทมเป็นทานตัวนี้ละ่ะชนะการให้ทั้งปวง อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเฉลยให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังพวกเรามาพิจารณาดูแล้วก็อืพระพุทธเจ้าแหลมคมจริงๆถ้าว่าให้วัตถุอย่างที่ว่าจริงๆเป็นที่พอใจให้เงินคำทรัพย์สมบัติเป็นที่พอใจก็เกิดกิเลสเนี่ย น, นั้นอีกเพ้อเพอตายไปแล้วไปเป็นมแมลงสง่งแมลงสาบเฝ้าอยู่นั่นอีกแทแล้วจะให้อะไรที่จะไม่เกิดกิเลสให้ทําให้ทําคือหลักเหตุผล แต่ากตอนที่จะให้ทําเป็นทานนั้นก็ต้องให้วัตถุอีกเหมือนกันนะทําไมจึงว่าอย่างนั้นเหมือนกับคนตาลีตะเลือขิวข้าวอย่นั้นเราจะไปพูดอะไรให้ฟังเน่ยเขาจะฟังไหมเขาก็ไม่ฟังอีกเหมือนกันแต่เมื่อเราเอาข้าวให้เขากินก่อนเอาปัจจัยสีให้เขากินก่อนพออิ่มขึ้นมาแล้วตัวนี้ยังค่อยสอนทำให้เขาเขาจึงจะฟังทำแต่ถ้าเราเลี้ยงให้เขาอิ่มอย่างเดียวอ้วนหมีพีมันอย่างเดียว อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีทำรรไม่มีหลักเหตุผลไม่ได้สอนธรรมะให้แก่เขามันก็เหมือนกับเลี้ยงหมูอยู่ในเล้าอีกเหมือนกัน เ, เลี้ยงให้อีกนี้พีมันเลี้ยงถึงอายุครบระกัตายไปทันเองไม่เกิดประโยชน์อีกเพราะฉนั้นปันจจัยสีถ้าจะว่าไปมันก็ไปด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงก็ตามการเลี้ยงก็พอประมาณแต่ว่าเลิศระเสริฐกว่าอย่างอื่นนั่นก็คือให้ทำเป็นฐานสรุปแล้วถึงจะเลี้ยง ร่างกายอ้วนหมีผีมันขนาดไหนแต่ถ้าคนนั้นไม่มีคุณธรรมศีลธรรมอยู่ในจิตใจก็เหมือนกับเลี้ยงหมูแต่ถ้าว่าคนนั้นมีธรรมในใจใจของท่านบริสุทธิ์ผุดพองถึงร่างกายของท่านจะหิวโหยขนาดไหนก็เถอะเออกาเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้สักการบูชาเพราะใจของท่านบริสุทธิ์แล้วใจของท่านเป็นพระาราหันแล้วน่ากราบไหว้น่าสักการบูชาอย่างยิ่ง แต่ถ้าวันเลี้ยงให้อ้วนหมีพีมันขนาดไหนแต่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยกิเลสเราก็กลบับไม่ลงอีกเหมือนกันเพียงแต่ร่างกายอ้วนหมีพีมันเท่านั้นสรุปแล้วก็มี2 อ, อีกเหมือนกันมี2องแต่ว่าถึงยังไงการยกย่องเชิดชูบูชานั่นก็คือการให้ทำเป็นฐานให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไม่มีข้อโต้แย้งเลยครับพิจารณาวิเคราะห์ออกมาให้ดีแล้วนะ นี่แหละสถานีวิทยุเสียงคำเพื่อประชาชนของหลวงตาที่ประกาศเปาๆออกไปให้พวกเราได้ยินได้ศึกษานี่แหละที่หลวงพ่อได้พาพวกเราท่านทั้งหลายทําสถานีหรือว่าดูแลสถานีแปลว่าเป็นยอดแห่งการทําบุญเป็นยอดแห่งการทําทานเพราะว่าการให้ธรรมะอย่างน้อยพวกเราท่านทั้งหลายมีความทกใจ ออวันนี้โอ้ไม่สบายใจทุกใจเรื่องเกี่ยวกับคู่กับคนกับสิ่งพัดพรากหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆแต่พอเราเปิดสถานีเปิดวิทยุมาถึงสถานีเสียงธรรมเสียงธรรมเขาจะบอกว่าเ อ, อ้ยอย่าไปยึดไปติดอะไรมากมายนักหนาะ เ, เราเกิดมาเรามีอะไรมาด้วยแแ่ผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ติดมาไม่ใช่เหรอเวลามาถึงขนาดนี้รวยขนาดนี้ยังไม่พอเหรอ เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปด้วยได้แมมีแต่กระดูกอีกอย่างเก่ายัางไม่พอเหรอทำไมใจของเราจึงกระเพื่อมถึงขนาดนี้จึงโลภถึงขนาดนี้จึงโกรธถึงขนาดนี้จึงหลงถึงขนาดนี้พอเราได้ยินเสียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดในสถานีเพียงแค่นี้ใจของเราก็ลดอุณหภูมิลงอย่างแรงลงพ่อว่านะลดบูบลงเออใชใ่เราถึงขนาดนี้เราได้ขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอ เราไม่ควรจะเสียอกเสียใจร้องห่มร้องให้กับสิ่งภายนอกจนเกินไปจากนั้นเราก็ควรจะหันหน้าเข้าสิงธรรมท่านก็จะสอนเอออย่าลืมตัวเกินไปนะชีวิตของเรามีจุดจบขอให้พวกเราท่นทั้งหลาย ใ, ให้ทานรักษาสินภาวนาปฏิบัติบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์เอออันนี้เพียงแค่นี้เสียงธรรมประกาศขึ้นมาเราก็ยึดไม่กี่คำพูดนั้นอนะ เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราพวกเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นจุกลึกๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระพาหิยะรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นอย่าให้ความสําคัญในการรู้และการเห็นนั้นพาหิยะเพียงแค่นั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นก็พอรับตาพระพุทธเจ้าคือพระพาหิยะไม่ได้ทําบุญเกี่ยวกับอัฏฐบริขารพระพุทธ ไว้ก่อนในครั้งพุทธกาลในครั้งก่อนมันก็คืออย่างพวกเราเกิดมาในพบนิชานนี่ไม่เคยบริจาคทานบริขารแปดเลยอย่างนี้พอเกิดมาพบน้าชาตินาพอไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเลยสาเร็จเป็นพระรหันแล้วท่านพระโตองต้องมองดูอดีตเลยมองดูในอดีตเอ้ยออบิญญาณท่านผู้นี้เนี่ยเคยถวายบริคารอัถบริคารมาก่อนไหมโอ้เขาไม่เคย มันขนขวายแล้วเขาไม่เคยทําบุญเกี่ยวกับบริขารมาก่อนพราะพระพุทธเจ้าเออท่านจงไปหาบริขารแสวงหาบริขารก่อนนะทานได้บริขารแล้วยังค่อยบวชแนะปลว่าเขาไม่มีบา ร, รมีแต่คนที่เคยทานมาทานอัตบริขารมาแล้วเนะี่ยพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอหิภ mm. e ิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเพียงเท่านี้บริขารลอยมาจากอากาศ มาสวมปบพอไปเป็นพระภิกษุอันนี้เรียกว่าบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุนะอันนี้พระพาหิยะเนี่ยพอท่านได้มาฟังยืนฟังในกลางถนนได้สำเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นก็ได้สำเร็จพระพุทธเจ้าก็มองดูในอดีตชาติโอ้พาหิยะเนี่ยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะถึงสองหมื่นปีแต่เขาไม่ได้นขนไหวยที่จะช่วยทาบุญ อัตบริหารช่วยหมูช่วยเพื่อนเลยมีเธอเขามาแล้วกินแล้วก็ใช้ใช้แล้วกินแล้วก็จบแล้วก็บำเพ็ญรักษาศีลภาวนาของเขาอันนี้สงบริขารแปดของเขาไม่มีเลยเพราะนั้นภาหยะเธอจงไปส่แสวงหาบริหารก่อนนะค่อยบวชทั้งที่พ่านเป็นพระรหันแลนะขณะฟังเทศเป็นโยมที่ว่าภาหยะเธอเห็นศักตะว่าเห็นได้ยินแต่สักว่าได้ยินรู้แต่สักว่ารู้ อย่าไปให้ความสําคัญในการรู้การเห็นการได้ยินนั้นๆ น, น, นะเท่านี้แหละพระพาหยะได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ยืนฟังเทศนะพระพุทธองค์ก็ให้ไปหาบริขารแต่ยันวัวในอดีตชาติที่เป็นคู่อริคู่จัตูของท่านก็เลยขิดท่านก็เลยตายพอตายเสร็จแล้วก็พระพุทธองค์เดินบินทบาทกลับมาพระสงฆ์เห็นว่าโยมภาหยะตายแล้วพระพุทธองค์ก็เออ เอาตะแคร่ไปหามนะไปยืมาตะแคร่หามแล้วก็เอามาเผาซะพอเผาเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาถามกลับทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพาหิยะเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าพาหิยะปรินิพานแล้วปรินิพานท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อไร่พระเจ้าค่ะในขณะยืนฟังเทศของเราในกลางถนนนั่นเราพูดให้ฟังเขาได้สําเร็จในขณะนั้น พระสงฆ์ก็จ้งงอนสนเทศเลยทีเอ๊พระพุทธเจ้าพูดไม่กี่คำทําไมเขาจึงได้สาเร็จเพราะพระพองค์พูดเพียงแค่นั้นเหลือพระเจ้าค่ะที่พาหยะได้สาเร็จใช่เราพูดว่าเห็นที่ศักดิ์ว่เห็นรู้แต่ศักก็รู้จะให้ความสัมพันธ์ในการรู้การเห็นนั้นเพียงเท่านั้นแหละภายะก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์โอ้ทําไมจึงเร็วขนาดนั้นพราะพระพองค์บอกว่าคําพูดใดก็ตามคําพูดเพียงคําเดียว แต่กินใจแต่รู้แทงทะลุด้วยคําพูดนั้นเพียงคําเดียวอันนั้นแหละประเสริฐกว่าแต่วักพันพูดไรก็ตามพูดทั้งวันทั้งคืนแต่หาจุดจบไม่ได้พูดมลลัมลำจําจากไปอย่างนั้นหาที่จะเป็นสิริมงคลหาที่กระทบจิตใจไม่ได้คําพูดนั้นถึงจะพูดเป็นร้อยๆยปีก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้คําพูดคําเดียวที่กินใจเข้าใจได้นั่นแหละคําพูดนั้นประเสริฐกว่า นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนั้นเพราะนั้นธรรมเทศนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกจากสถานีวิทยุหลวงพ่อว่ามันต้องมีคำใดคำหนึ่งที่ท่านพูดแต่ละองค์พวกเราเปิดฟังเข้าไปแล้วก็คงจะกระเทือนใจหรือเข้าใจในคำพูดของท่านเพียงคำเดียวเท่านั้นลหละเกิดประโยชน์อย่างมากต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นจึงถือว่าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนมันคือเสียงธรรมะ สถานีอื่นเป็นตั้งหกพันกว่าสถานีเมื่อคืนนี้ไปถกกันว่าหกพันกว่าสถานีล้วนแล้วแต่เป็นสถานีธุรกิจ่ร้องราทําเพลง่โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างอื่นแต่เสียงธรรมเพื่อประชาชนมีแต่เสียงธรรมะตลอด24ชั่วโมงในองค์นั้นขื้นเทตุเดี๋ยวองค์นี้ขื้นเหตุดวงตาเป็นองค์หลักยืนพื้น น, ะนี่แหละเมื่อเราได้ฟังสถานีอื่นแล้วเบื่อสถานีอื่น อยากจะฟังสถานีธรรมะเราก็หมุนมาสถานีธรรมะได้ฟังเป็นทางเลือกทางหนึ่งแต่เราเบื่อธรรมะเราจะมุ่งหวังทางอื่นก็ได้เอสถานีนั้นก็เปิดหพอหน้าเราก็หมุนมาหาธรรมะแต่ผู้มีธรรมในใจแล้วจะไม่ชอบฟังเสียงอย่างอื่นมีแต่ฟังเสียงธรรม ะ, ะเป็นล็อกเลยแล้วว่างั้นล็อกในสถานีนั่นเลยล็อกใส่ตัวเลขนั่นเลยฟังอย่างเดีย ว, วั้นอะ เนี่ยพอแม่ครูบาอาจารย์ธรรมเทศนายังไงท่านก็ฟังฟังฟังฟังธรรมะนี่ยมีแต่เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขรู้แจ้งตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดให้ฟังคนที่จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วตรัสไว้แล้วอันในสงแห่งการฟังธรรมห้าอย่างหนึ่งผู้ฟังธรรมจ้อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สองสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าขณะฟังธรรมจิตใจของเราไม่ได้คิดปรุงคุงไปทางอื่นจิตใจของเราก็เบิกบานยิ้มแยม้มแจ่มใสร่มเย็นเป็นสุขได้รับความผ่องใสในขณะที่ฟังธรรมนี่แหละอเนกสงแห่งการฟังธรรมแล้วก็ ผู้ที่จะเกิดปัญญาได้ก็ต้องอาศัยสุดตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอีกส่วนหนึ่งกินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาไข่ควรไตรตองเอตและผลแล้วก็ทําจิตใจ ใ, ให้สงบแล้วก็มาพิจารณาอีกทีหนึ่งอันนี้กว่าภาวนามยปัญญาคือทําใจให้สงบก่อนที่จะถึงมากินตามยปัญญาก็ดี ภาวนามยปัญญาก่อนดีก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่สุดตมยปัญญาก่อนต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังซะก่อนจึงจะมีจินตรมยปัญญาและภาวนามยปัญญาต่อไปถ้าว่าเราไม่เคยได้ยินธรรมะเจะเลยเสุดตมยปัญญาเราไม่ได้เคยศึกษาจะเลยเราจะมีจินตาหรือภาวนามยปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็เทนำทำคําสอนมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็พวกเราก็จะเป็นผู้มีสติมีปัญญารอบครอบครอบรู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้เห็นสิ่งใดมาก็ได้กานกรองไตรตรองแล้วก็พิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลจุดไหนควรจะยึดมั่นจุดไหนควรจะปล่อยวางจิตไหนควรจะปล่อยตามสภาพของมันเป็นอย่างไร อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้กันกลองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาของพวกเราเท่าที่มีฮะปัญญาของเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีเท่าเทียมกันไม่ใช่แต่เท่าที่มีของใครของเรานท่านั้นสุดความสามารถของใครของเรานั่นแหละจนผลที่สุดก็ถึงจุดจบคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส น, นั่นแหละเป็นว่าปัญญาอันสูงสุดนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดกล่าวเป็นแนวความคิด ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่สถานีวิทยุของดวงตาเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรแล้วก็เสียงธรรมมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรอันไหนที่เป็นมงคลอันสูงสุดเทวดาสงสยัยอันไหนที่ทําบุญที่มีอเนกสงฆ์มากมีอเนกสงฆ์ไผ่บุญยิ่งกว่าการให้ทานอย่างอื่น่วาให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะเหตุใดในการให้ธรรมะ หลวงพ่อก็ได้อธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้ธรรมะน่คือให้หลักเหตุผลให้สิ่งที่ถูกต้องให้ละกิเลสทานละกิเลสเน่นเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงสุดในหลักของพระพุทธศาสนาต่อนนี้ไปอนุโมทนาให้พรรับพร